สองพันห้าร้าสิบแปดปีตึมูล ท, ทั้งหลายเื่อมาตั้งแต่วันจัดไปจนกระทั่งวันนี้ต่อโกงห้าโซิมานันโดนิจังจัดไปเตือนสติพระธรรมทั้งหลายทำมัน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 แล้วลำดับต่อไปก็ปลุกไปเรื่อยๆตัวภูมิภาโซกิมานันดูกระท่งล่เิงเปนอะไรความเร่องเรงเหล่านี้น่ะจะของิเศษิสูจน์อนอกจากเป็นชืวไฟที่ทำเผาตัะเอนหลังจากความเลื่องเรงกลำดับลงไปแล้วเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นบรรดาผังภูมิปุรีอันบาบาง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 นอกจากโลกจะไม่สามารถที่จะพุทธปิบัติได้เท่านั้นควนรทำเป็นสิ่งพุทประกาศทํางวันอยู่ทั่วโลกเพราะความทุกขมีอยู่ทั่วโลกทั้งฐานที่มียุงยางกจะเปตนก็ต า, ามบุคคลก็ตามทำจนประเทืออเทื่วโล ก, ก, พกเพื่อศึกษาจนแท่านไม่ทรงค้นพบพระองค์เดียวแลวนัน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 เาะว่าทำดังสอนคำอุปนิจ้ยยังมึนอยนั่นเป็นความคิดของโง่พระบุษเโือพระธตรีคือคิดออกมาด้วยความดุนดาวเสาะนาแทนที่เหลือปกคมขง้นเหมอไม่มองเห็นเหตุเห็นผลนต้องเหอนตายแล้วประพูดออกมาตามภาษาใต้าษาทั้งตนซึ่งแล้วคำพูดเหล่านี้และความเห็นหลานี้ไม่จากเข้าในกดเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องดังหลักนัตติมา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 พบ ก, กับตัวมืไทยเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ภายในใจิตใจแต่มากได้แต่ข้อปฏิบัตินั้นถ้าเราจะรวมให้มีข้อมีรมให้มีมากมีน้อยตามกําลังความสามารถและความมุ่งมั่ยายามของเรามีได้ด้วยกันเมื่นะอมาอบรมให้เตมที่เต็มภูมิแล้วก็สา ม, มารถแก้เฉลี่ยทุกประเทศทุกนาที่ทิดกฝัรร ง, องอยู่ภายในจิตใจให้ผ่านเช่นไปได้โดยมับจนกระทั่ทงถึงนิพนิถึงนิพนิพานเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ขปสาวโหลายมันยังไรผิดแปลตแตกต่ารจากกันเลยฉะนั so, rights, the the so 有有้นกามประานที่จะเป็นเครื่องปลุกจิตจำลังหรือเปนเคื่องเครื่องจิตกั้นมรรคผลิภานไม่ให้บรรลุนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากเฉลยอดทานในเขาหาใจของสารโลกฉะนั้นเป็นเครื่องจิตท่านตนเองแม้แต่ขั้งพุทธการก็มีเป็นนี้เหมือนกันเราอย่ามาตั้งแต่สมัยพุทธการนั้นท่านบรรลุมรรคผลิภานได้สมัยไม่บรรลุม่ได้แม้สมัยนี้มันพัฒนาปฏิบัติ การตัดวิริยะก็หลุดพ้นกันไม่ได้นั้นจะเกาะชายี ว, นาายวนันของพระุธ้าไปก็ตักแต่ว่าเกาะเหมือนโซลินอกาะผ้าอะไรตรงนี้ในทันใดก็หลุดอะไรจุดสำคัญยขง้นอยู่กับการปฏิบัติวิริยะเป็นประเภทเดียวกันในสมัยพุทธกาลซึ่งอยูอ่ในหัวใจของสัมโลกมีความโลกความขูค่ความหมืองเลืเดียวกันนี้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 อำไม่สามารถจอยู่จากเราเราจึงต้องติดกันนะ้นมะขุนิพพานตัวเองแม้จะอยู่ใ น, ในสมัยสร้างอุตรการก็ตามมาสมัยนี้ก็ตามถ้าทำแบบนี้ก็คือแบบปิดกั้นตัวเองมนขะุนิพัานต์ก็มีอยู่ในบุคคลคนนั้นตลอดไปไม่ว่าสมายายัยใดหากที่เด็กในฝังตนมีภานาจิตใจไม่สงใจที่จะแก้ไขมันแล้วผู้มั่นแต่ก่อผู้สร้างาสร้างน้ำให้เป็นหยาย่าและทำลายตัวเองเสมอ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 ถ้ากำหนดความรู้กับคำภาพพุทโธให้กลมกลืนกันทาบริกรรมกับพุทโธเป็นเครื่องกลมกลืนกันเสนอความรู้ที่สคยทราบไปในที่ต่างๆจะรวมสุดเข้ามาสู่คำภาพพุทโธอันเดียหลังจากนั้นก็จะปรากฏแต่คำรู้ล้นล้วนแม้แต่ทาบริกรรมพุทโธก็หมดความหมายแต่อื่นนี่คือผู้ทรงเัวได้ด้วยคำรู้ที่รวมนดูท่านเรียกว่าจิตทั้งหมดมีบางส่นเป็นอย่างนี้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 โรงงานคิดคุณต่างๆขึ้นมาเสนมากก็ติดตุกขึ้นมาเผาโดนกันเองการปฏิบัติธรรมคือการสอบส่องตนเองนี้จิตเป็นความที่ถูกต้องชอ บ, บธรรมตามวิถีทางเดินทั้งจิตคิดความคิดความปรุงของใจและวิถีทางเดินด้วยความสังสนที่ทเอียดทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากใจมีจุดนี้เป็นสําคัญการภาวนาจริงต้องสนใจลงที่จิตซึ่งเป็นฐานที่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 คือจะเพิ่มบ้านคนเมืองทำความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยู่เ็นเมืองมากมาะเราจะจดจำชื่อของเื้าโทนหรือของเสือนั้นได้อย่างไรจนกระทั่งถึงโทษแท้ของเสือนั้นก็ตามแต่เมื่อยังจับเสือนั้นมาเข้าคุกเข้าตรังไม่ได้เมื่อไรก็คือเสือเหล่านั้นที่เราจำชื่อจําโทษจาแท้ของมันได้โดยดีนั่นแหละจะเป็นผู้ตอความยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอยูไม่หยุดไน่ถอย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 เราก็มาทํากามวิธีการที่ท่านสอนไว้คือทำสมาธิทางอว่างรวลรวมกันนั้นจากทั้งหมดทุตโพหรืออนาาาัปปานให้จิตเป็นต้นก็ให้จนไปตามความถูกต้องของธรรมที่ท่านสอนไว้ใเผยกับจิตแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นคามสงบและเป็นความแน่นหนามัน่นคงขึ้จิตใจที่เรียกว่าสมาธิทำว่าสมาธิที่จำได้กับสมาธิที่เป็นจริงที่ปรากดขึ้นภายในจิตใจนี้เป็นคนละอายา่าง ความจําได้เป็นความภาพหมายแต่ความจริงเป็นความรปรากฏเด่นชัดขึ้นกับตัวเองเพ่อเดียวกั่รับทานอาหารหวานก็ท า, าบเป็นก็ทร า, าบแตจความเราได้ได้ยินแต่ชื่อว่าหวานางนั้นเป็นอย่างนี้อาหารประเภท น, นั้นหวานอย่านั้นเกลืออย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นความจําำพอพอมาถึงออ ท, ที่วิทยรศาสตรของเราได้ทราบผ่าเกณฑ์แล้วเราก็าหายสงสัยเมื่อเข้าถึงความจิงแล้วว่าทางเลือกทางธรรมหายสงสัยได้ด้วยกัดสิ่งนั้นนั้นนี้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 ปัญญาคืออะไรคือความเสร็ยวฉลาดแหลมคมที่จะขอบถอนที่เหลืออสระไม่ใช่ความเสล็ยวฉลาดคือจะทำเรื่องโยนเป็นไกเรื่องเหาะเรื่องบินกะโดดดาวเทียงขึ้นประทุาจัณฑ์อะไรทั้งๆิดแคุ่กเป็นไม่ได้ความเสล็ยฉลาดแบบนั้นก็าไม่เคิดจ็บสะดวกดูไม่ดูความเฉลียวฉลาดนั้นยังก่อโลกให้เดือดร้อนขึอีกด้วยถ้าติดทาง แต่ความเจริญตลาดทางด้านธรรมะมีมากมายเป็นลายย่อมทำตนให้มีความรุ่งเรืองประจุและทำโลกให้มีความรุ่เรืองปรุตัดต่างกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงเจริจตลาดได้ตรัสรู้ทำด้วยความสนาดความระองค์แล้วนำทำนั้นมาส่องโลกและรับความรุ่งเรือมากมายหลายกองทั้งที่เราเห็นอยู่นี้นี่คือคามฉลาดที่ถูกต้องทำหลักธรรมทำหลายถึงความฉลาดอย่างนี้ที่เรียกว่าปัญญาัญาคือความต่อรองคือความแหลมคมความคิดอ่านเจอจองต่างๆตามเอิดตามผ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 เดินบ่างเดินบ nice ้างนั่งบ้างนอนนอนบ้างนือก็หายอะไรกระลันอะไรบ้างก็บรรเทาควางทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวเองนี่เรียกว่าทุกข์มีหรือไม่มีในตัวของเราเราหลงทกไปที่ไหนทุกข์ย่ในตัวของเราทั้งวันทั้งคืนปฏิบัติต่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่ทราว่าคราทุกข์นี้มาลังความหรือลังใจหรือดยู่ข้างใราอยู่หรือเปล่าธรรมะเราจะเรียนที่ไหนถ้ามาเรียนในธรรมชาติที่เป็นความริเหล่านี้ซึ่งมีอยู่กับตัวของเรานี่ท่านเรียกว่าปัญญาธรรมะนักปาก็อย่างเชื่อว่า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 นั่นก็มีลักษณะเดยกันนีทั้นเรียกว่ปัญญาพิจารณาที่ตาให้เห็นตามตวามจริงั้งสิดด่งเหล่านี้แล้วจิตมันจะยึดมัน่นถือมั่นแน่นขนาดไหนก็ตามจิตใจจะเคยมืดหนาทั้งโหดมาเพราที่เดียบจบคุมหุ้มออกมาดตั้งกลับทั้งการก็ตามเมื่อตามไปแสงสว่างคุปัญญาขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแล้วความมืดมันก็ดับไปทันทีทันใดเช่นเดือวกับ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 ขนาดอย่างนี้ขนาดปัญญาเพื่ขอขอก่อนนเดิม ป, ปัญญาที่ถูกต้องก็คืเอเมื่อมีความฉลาดทช่นไรก็ยกตวให้พ้นจากทุกข์ก็ได้โดย่ดายแบบไม่ต้องคว้ากองทุกมาเผาเรื่องตนเดิมทั้งที่นตนไม่เป็นฉลาด ท, ทั้งๆที่โงกแค่ตายเหมือนกันพรยังทํงาัวไม่เป็นฉลาดนั่นคือตรงโน้ที่สุดของโลกโดยตรงตามหลักธรรมเวทีนั่นคือความฉลาดถ้าเป็นไปตามหลักธรรมเป็นนี้เป่นปัญญา พิจนาที่ใ า, า ย, ย่างนี้พเรนมันจะก็เอียดขนาดไหนมีอิูพภานในจิตใจทนปัญญาไปไม่ได้ปัญญาจะสาดล้างไปหมดสิ่งที่ปราปต้องเรียคือความบริสุทธิ์บริสุทธิเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะยั ง, รงทรงชักเชรงอยู่ก็ตามแต่ระริ่นผานนานแต่แล้วเท่าแค่ไหนก็ตามตาม ส, า ม, ส, า ม, สามมติยมจะไม่เป็นปัญหาจะไม่เป็นเชื่องมาติดกันนักสุนิพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบติชอและขอถอนพิเรนได้โดยชอบทำนี้ได้เลยทพระพุทธเจ้าท่านสอน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 ใของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งเขาไปเดิ่มับเติมน้าน่านชอบปฏิบัตินั่นชื่อว่าเราได้เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าโดยลดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงเราถึงขั้นเห็มุขคดีดเช่นจะพิการณาทั้งสองนั้นแ่คเรเห็นหลักานพเต็มองค์ทีเดียวเมื่อได้เห็นขึ้นแน่พระพุทธเจ้าจะม่ผานนานไปสักกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันไม่สาคัญเป็นไปเพียงการสถานที่หรือสมมติยมที่ว่ากันไปคุทธานั้นจะมีมิตรานี่จะมีปัาที่ไหน ทำไม่มีปาช้ามิพานไม่มีปาช้าความมีสุขไม่มีป่าช้าไม่มีในทางทุกขังสตาพระตะหยีบย่ำทำลายความเหล่านี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงความเหล่านี้แล้วจึงเป็นผู้หมดทางคนทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะพระตะหยีบย่ำทำลายหรือคอบครได้เลยเราต้องกาไม่ทำเห่านี้หรือต้องการต้องจาดไปที่ไหนตุกข์ก็เดือดร้อนมิจะคุกขหยีบย่ำทำลายตลอดไปเนี่ยที่วําทำมานจารักจาอย่างนี้เพราะพุทธเจ้าสุขค้นแต่โลกพ้นอย่างนะะี้เลยไม่ถูก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 พระพุทธาทงสอนนั้จนกลายเป็นตัวขึ้นของตวขึ้นมาด้วยความม่งสุดอย่างเต็นเต่มที่แล้วนั้นแหละทิพุทางธรมทั้งคางสั้างปรทานนี้ขงเราอย่างแท้จริงไไหนไม่จากกะจากทิพุตังธรรมทั้งคังนี้เลยไม่ว่าอิรยาบถใดแม้พระพุทธเจ้าจะทรงเผยบยู่ก็ตามพอไม่สงสัยผู้ระทุนถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรีพานไปแล้วก็ตารเไม่หวั่นไหวเพราะความจิงเท่ากันความรู้ความเห็นความจริงนี้มีเสมอกันเนี่ยนะนักตื่เชอโยาิโยตั้งแต่พระพุทธ ตั้นจพระสาวฤทธิ์ส่้กระังองค์สุดท้ายเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วเสมอกันหมดพระพุทธเจ้าออกมาเป็นาอุษยนี่แะธรของพระธเจาเป็นอย่างนี้สำคัญก็คือปบาตเรียนเน้ให้ปฏิบัติเรียนด้วยเฉยจำดเฉยแล้วมาโอมาอวดตันคุโม่ไปหมดไม่เกิดประดยชอะไรหมดน้ำลาย